สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่ห้าร้อยสีสิบเก้าเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบสี่พี่น้องครับเรากําลังเดินทางผ่านพระคัมภีร์บรูมาตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่สิบสองนะครับพระธรรมฮีบรูทั้งหมดมีสิบาบทเท่านั้นเองเรากําลังมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูแล้วนะครับพี่น้องครับ ในวันนี้พระยมฮีบูบที่สิบสองฮีบูที่สิบสองข้อที่สิบสี่จนถึงข้อที่สิบห้าโปรดฟังพระชนะ์ของพระเจ้าจงอุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตสาห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขืนงอกขึ้นมาทําความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปท่างครับเมื่อวานนี้พราได้พูดถึงนักวิ่งคริสเตียนเราทุกคนเป็นนักวิ่งและพระบัพจตจิของพระเจ้าได้สอนให้เรารู้ว่านักวิ่งนั้นจะต้องขยันมีวิ น, นัยในการเดกันครับนักวิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามคือขี้เกียจอาจจะถูกลองใจให้ออกนอกเส้นทางให้เลิกวิ่งได้แต่ เราจะต้องรู้กลอุบายของมารสาสนานะครับมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเริ่มปวดเมื่อยนะครับแต่เราจะต้องเตือนสตินะครับพวกเราเองว่าให้กล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยนั้นได้หายเป็นปกติอันนี้คือการรักษาที่มาจากพระเจ้าการเยียวยาและทำให้เราทั้งหลายมีความเข้มแข็งประเด็นที่สำคัญก็คือเราจะต้องวิ่งแข่งต่อไปแม้ว่ามันจะไม่ง่าย แม้ว่าจะมีการต่อต้านแม้ว่ามันจะยากแต่ห้ามยอมแพ้ครับอย่าเลิกวิ่งกางคันในข้อสิบสี่วันนี้ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีความเพียรพยายามครับเพื่อจะมีคําว่าจงอุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตสาห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์มีคําว่าอุตสาห์อยู่ถึงสองขนด้วยกันครับคําว่าอุตสาห์นี้ในภาษาเดิมนะครับแปลว่าการไล่ล่าภาษาอังกฤษชื่อว่า pursue ภาษากรีกแ็คว่า dioco d i o o แปลว่าการไล่ล่าหรือการไล่ตามอย่างแข็งขันอยู่ในรูปของคำสั่งด้วยครับพี่น้องสับคำนี้คือพูดถึงว่าจงอุตสานะครับจงอุตสาไม่ได้บอกว่าโปรดอุตสาหรือขออุตสาแต่จงอุตสาแสดงว่ามีความเข้มแข็งมากในคำสั่งนี้คำสั่งนี้ทำให้เราทั้งหลายต้องปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละ เพราะหลายครั้งทีเดียวนะครับโลกสอนให้เราอยู่ห่างๆคนที่ไม่น่ารักแต่พระเจ้าสอนให้เราอุดซาให้เราไล่ล่าให้เราเพียรพยายามที่จะมีความสงบกับคนที่ไม่น่ารักกับคนทั้งหลายรวมทั้งคนที่น่ารักและไม่น่ารักด้วยพี่น้องครับพระเจ้าทรงบัญชาให้เราผู้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นให้ไล่ล่าสันติสุขให้ไล่ล่าสันติสุขกับคนอื่นๆครับ ไม่ได้สันนิษฐาของเราเองแต่สันนิษฐานกับคนอื่นๆและไม่ใช่สันนิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้สันนิษฐานกับเราอยู่แล้วแต่เมื่อเราได้รับสันนิสุขแล้วในฐานะเทอวันนิรคริสเตียนนั้นเราจะต้องอุดสานและไล่ล่าไล่ล่าสันนิษฐานที่เราจะอยู่กับคนอื่นๆสันนิษฐานในที่นี้คือพีซครับนะครับภาษาฮิบรูว่าชาโลมคําว่าพีซหรือชาโลมนั้นก็คือเป็นความสมดุลเป็นความ เป็นการคืนดีกันประสานกันอย่างดีระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่เรียกว่าองค์รวมทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับศัพท์คําว่าองค์รวมนะครับ holistic นั่นนะครับคือความหมายของการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณก็คือมีสันติสุขชาล ום ขอสันติสุขจงอยู่กับท่านขอพีชนะครับพีสพี A C, peace, นะครับหรือชาลมนั่นเอง ภาษาจีนใช่ว่าถิงอันถิ่งอันแปลว่าให้มันเกิดความสุขให้มันเกิดสันติขอสันติอยู่กับท่านนะครับในภาษาของทางพี่น้องมุสลิมเขาใช้คำว่าสลามอัสลามนะครับก็เช่นเดียวกันครับแปลว่าพีซสามศาสนาใหญ่ๆครับเน้นคําว่าพีซในพระเจนะของพระเจ้าเน้นว่า ให้เราสร้างพิสให้เราไล่ล่าหาพิสกับทุกทุคนนี่คือสิ่งสำคัญในหลักการแห่งคธศาสนาของเราเป็นคำสอนของพระกัมพีเป็นคำสอนของพระเยซูด้วยพี่น้องครับพระเยซูสอนไว้ในมัทธิวบทที่ห้านะครับมัทธิวบทที่ห้าผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นบุตรของพระเจ้า นะครับเขาจะต้องสร้างสันติภาพสันติสุขกับทุกๆุกคนครับและเมื่อเรามีสันติสุขเราก็รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพังผืดผู้ชัดเจนนะครับให้เราไล่ล่าไม่เพียงแต่ไล่ล่าสันติสุขหรือพี่หรือชาลโลมเท่านั้นแต่เราจะต้องไล่ล่าอันที่สองก็คือใจที่บริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ในชีวิตพี่น้องครับในแบบเดียวกันเลยครับเราถูกสั่งให้ ไล่ล่าตามหาความบริสุทธิ์หมายความว่ารับการชำระที่มาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีนี้ครับทั้งสามพระภาค ข, ของพระเจ้าคือพระบิดาพระ อ, องค์ทรงรักเราพระเยซูพระ อ, องค์ทรงมีพระคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้า ร่วมเป็นเครื่องมือในการที่เราจะไล่ล่าตามหาความบริสุทธิ์พี่น้องครับเราจะสังเกตนะครับว่าลีที่พูดถึงการให้เห็นพระเจ้าต้องอยู่ในบริบทของร่างกายของเราที่ได้รับสงดาวฤกษ์ในสวรรค์เพราะว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์ในความรอดของเราแล้วนะครับเราจึงถูกแยกตั้งไว้ให้บริสุทธิ์ในตําแหน่งของเราในพระเยซูพี่น้องครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องไล่ล่าความบริสุทธิ์ของชีวิตนี้ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสองอย่างนี้ทำยากมากครับในสองแต่สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์การที่เราจะเป็นลูกของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะว่าพ่อผีบอกว่าถ้าใจไม่บริสุทธิ์นั้นก็จะไม่มีผู้ใดเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูสอนนะครับในคาสอนบนภูเขาบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า เขาจะได้เห็นพระเจ้าพี่น้องครับหากใจของเรานั้นไม่บริสุทธิ์แล้วไม่มีทางเห็นพระเจ้าเลยการเห็นพระเจ้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยตาเพราะว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้านะครับอยู่ไม่ได้ครับพระเจ้าไม่เคยปรากฏให้ผู้ใดเห็นนอกจากเป็นปรากฏเป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญ ญ, ญาณไม่มีใครเห็นพระเจ้าได้ แต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเราเห็นพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะเมื่อเราเห็นพระเจ้าด้วยร่างกายของเรานั้นเราจะต้องตายบางคนอาจจะบอกว่าโมเสสเห็นพระเจ้าไงโมเสสยังไม่ได้เห็นพระเจ้านะครับโมเสสเห็นผู้ไม้ที่ไม่ไฟอยู่หรือบางคนบอกว่าข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์เห็นพระเจ้าอันนั้นเป็นนิมิตที่พระเจ้าให้กับเราบางคนบอกว่าอิสยาเห็นพระเจ้าพี่น้องครับอิสยาไม่ได้เห็นพระเจ้าจริงๆแต่พระเจ้าได้ให้เขาได้เห็นนิมิต ของความบริสุทธิ์เห็นทูตสวรรค์บินไปบินมาบางคนบอกว่าในพระธรรมวิวรย้อนเห็นพระเจ้าพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับเห็นในลักษณะของนิมิตผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่มีจิตใจบริสุทธิ์นั้นเราไม่มีวันเห็นพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าใจไม่บริสุทธิ์คนไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถขึ้นแผ่นดินสวรรค์ได้ครับ เราจะไม่มีโอกาสเห็นพระเจ้าด้วยตาของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเราหมดสิทธิ์ขึ้นสวรรค์พี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนทุกคนถูกถูกส่งมาถึงจุดนี้ครับส่งมาถึงจุดที่ว่าถ้าเราไม่มีจิตใจที่รักคนอื่นไม่มีจิตใจที่เมตตาคนอื่นไม่มีจิตใจให้อภัยคนอื่นเราไม่สามารถที่จะสร้างสันติสุขให้กับระหว่างเรากับคนอื่นๆได้ นั่นแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่สันทิสุขไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่ปัญหาอยู่ที่เราเราบังเกิดใหม่แล้วหรือยังเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหรือยังเทียงกับชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นลูกของพระเจ้านะครับต้องสร้างสันตินะถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าในวันข้างหน้าเราจะต้องมีใจบริสุทธิ์นะครับสองข้อนี้ทําให้ชีวิตของเรานั้นมาถึงจุดที่จะต้อง ตัดสินใจว่าเราอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าเราอยากจะมีชีวิตที่คนอื่นจะได้จะได้เห็นว่าเรานั้นเป็นสาวกของพระเยซูหรือเปล่าแล้วก็เราอยากจะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายไม่ขี้ทะเลาะไม่ชวนทะเลาะไม่เป็นคนที่มุทะลุดุดันดุเดือดสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายแน่ใจว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆอาเมน